สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงกฎข้อที่4แล้วครับกฎข้อที่4นั้นเป็นกฎหนึ่งใน20กฎทองคำซึ่งมีชื่อว่ากฎแห่งความเป็นความตายพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอญบทที่12ข้อ24ครับพระธรรมยอญบทที่12ข้อ24ผมเชื่อแน่ว่าหลายท่านคงท่องได้ครับ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 พี่น้องครับดรฟิลิปเทงได้เขียนไว้เป็นกฎข้อที่4ครับซึ่งเป็นกฎทองคําทุกครั้งที่พระเยซูทรงเปิดเผยข่าวสารที่สําคัญพระเยซูจะเริ่มต้นโดยใช้วลีที่ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราเห็นว่าพระเยซูได้ใช้วาลีนี้หลายหลายครั้งทีเดียวครับในพระธรรมยอห์นเช่นพระธรรมยอห์นบทที่3าข้อสา เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 6: กข้อสีก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูทรงใช้เวลีเดิมเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์ยอห์นบทที่10ข้อ7และข้อที่9ก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูก็ใช้เวลีเดิมคือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูของแกะทั้งหลายถ้าผู้ใดเข้ามาทางเราผู้นั้นจะรอด พี่น้องครับเช่นเดียวกันครับพระเยซูทรงบอกความจริงแกเราในกฎความเป็นความตายซึ่งเป็นกฎทองคาข้อที่4และพระเยซูทรงเน้นย้ําความสําคัญของเรื่องนี้พระองค์ทรงต้องการให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนและยึดไว้ทั้งเรียนรู้กฎเกณฑ์ข้อนี้ที่ว่ามเมล็ดเม็ดหนึ่งจําเป็นต้องผ่านความตาย ถ้าไม่ผ่านความตายมันก็จะคงเป็นเมล็ดเดิมตลอดการที่จะเก็บเกี่ยวความบริบูรณ์ของชีวิตต้องผ่านความตายครับนี่คือกฎซึ่งเราเรียกว่ากฎแห่งความเป็นและความตายคริสเตียนจะต้องเรียนรู้ว่าการเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าให้เป็นพระผู้ช่วยรอดในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นเขาจะได้รอดชีวิตเขาจะได้ชีวิตนิรัน หลังจากนั้นเขาต้องเรียนรู้ที่จะตายกับพระเยซูครับและในที่สุดก็จะรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์โดยผ่านการบังเกิดจากความตายหรือเป็นขึ้นจากความตายเราดำเนินชีวิตใหม่ในเช่นทางกฎแห่งความเป็นและความตายนี้ตลอดพี่น้องครับเมื่อพระเยซูกล่าวถึงหรือตรัสถึงมเมล็ดข้าวมเมล็ดหนึ่งพระเยซูหมายถึงใครครับมีคําตอบอยู่2ประการด้วยกัน ประการแรกมเมล็ดข้าวมเมล็ดหนึ่งพระเยซูทรงหมายถึงพระองค์เองครับเพราะเวลานั้นมีนเวลาที่พระเยซูใกล้จะถูกตึงบนไม้กางเขนแล้วในบทเดียวกันนะครับพระธรรมยอบทที่12บสองข้อสาพระเยซูตรัสว่าเมื่อเราถูกยกขึ้นหมายถึงการถูกตึงที่กยงเขนจากแผ่นดินโลกแล้วเราก็จะชักนําคนเป็นอันมากให้มาหาเราบนเส้นทางที่พระเยซูทรงดําเนินไป การตายของพระเยซูหรือการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นเหมือนกับเมล็ดข้าวที่จะต้องถูกฝังลงในดินตายแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นผลมากมายนำคนทั้งหลายได้รับความรอดนำคนมากมายได้รับความรอดครับนั่นคือความหมายประการแรกประการที่สองครับเมล็ดข้าวนั้นหมายถึงคนทั้งหลายที่ติดตามพระเยซู ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบอข้อยีกบอกว่าถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยนี่หมายความว่าหนทางของพระเยซูนั้นเป็นหนทางของเราครับเส้นทางเดินของพระองค์ก็เป็นเส้นทางเดินของเราเราร่วมเดินไปกับพระองค์ประสบการณ์ของพระองค์ก็จะเป็นประสบการณ์ของเราครับ เรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องครับไม่มีใครชอบความตายหรอกครับแต่ถ้ารู้ว่าความตายหรือตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วจะเกิดผลมากมายจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปมีความยื่นชมยินดีมีความชื่นชมยินดีครับที่จะก้าวมาบนเส้นทางที่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์พี่น้องครับให้เรามาดูความสําคัญของกฎนี้ครับกฎแห่งความเป็นความตาย ซึ่งเป็นกฎข้อที่4ความหมายของความตายนั้นมีอยู่สามประการครับประการแรกก็คือตายต่อบาปพระธรรมโรมบทที่หข้อที่2ข้อที่3าข้อที่7และข้อ11สามารถสรุปความได้ให้เรารู้ว่าการตายต่อบาปนั้นคืออะไรโปรดฟังโระชนะของพระเจ้าครับพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ข้อ11ครับท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปพี่น้องครับความหมายแรกนี่คือความหมายแรกของคำว่าตายหมายความว่าตายต่อบาปครับเราเข้าในความตายของพระองค์พี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราต้องต่อสู้เราต้องตายต่อบาปการต่อสู้การตายต่อบาปนั้นมีอยู่4ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกครับก็คือ 1. เราต้องรู้ว่ามีบาปอยู่เฉลยบทที่5้าสิบอข้อามเขาบอกว่าเพราะข้าพระองค์ทราบถึงการระเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ามันมีบาปอยู่นะ มันมีบาปอยู่ในตัวของเรานะมันมีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นนะมันมีการละเว้นไม่ทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์หรือกฎเกณฑ์กฎหมายธรรมบัญญัติของพระองค์นะนั่นคือการรู้ตัวว่าเรามีบาปประการที่สองครับเสียใจเพราะบาปพี่น้องครับนั่นคือการต่อสู้กับบาปขั้นตอนที่2 เดีบทที่ 51: ิบอข้อบอกว่าจิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้านั้นถ้าแต่พระเจ้าพระองค์มิได้ทรงดูถูกจิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้านั้นพระองค์มิได้ทรงดูถูกเราต้องสำนึกผิดครับและรู้สึกว่าชอกช้ำเสียใจเสียใจเพราะบาปครับนั่นเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ก็คือสารภาพบาป สรีบที่51บอข้อสีครับบอกว่าข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นสารภาพบาปกับพระเจ้าครับนั่นคือขั้นตอนที่สขั้นตอนที่4ครับขอการช่วยกู้ให้พ้นจากบาปสีวิบ 51, อ 14, เอ็ดข้อสิบสี่ได้กล่าวว่าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากกรรมชั่วเพราะทําโลหิตเขาตกต้องขอพระเจ้าช่วยเรา ยกโทษให้อภัยเราทําให้เราพ้นจากกรรมชั่วพ้นจากความบาปทั้งหลายหลังจากนั้นครับเราจึงจะได้รับการอภัยโทษบาปและถูกชําระสุริบทที่51บทเดียวกันครับข้อที่7ได้กล่าวว่าขอทรงล้างฆ้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะสุริบทที่5้าข้อที่10ก็กล่าวเช่นเดียวกันครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข่าพระองค์ พี่น้องครับที่กล่าวมาสี่ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกคือให้รู้ตัวเองว่าเราทำบาปรู้ตัวว่ามีบาปอยู่ข้อที่สองขั้นตอนที่สองคือเสียใจครับเสียใจสำนึกผิดขั้นตอนที่สามคือสารภาพครับสารภาพบาปกับพระเจ้าขั้นตอนที่สี่ก็คือขอให้ยกโทษให้พ้นจากบาปพี่น้องครับ ที่กล่าวมาสีขั้นตอนนี้เป็นประสบการณ์ของดาวิดซึ่งเป็นแบบอย่างของเราเราเองนั้นเมื่อเรารเผชิญกับความบาปเราต้องต่อสู้ครับเพื่อที่ชีวิตของเราจะตายต่อบาปได้ชีวิตที่ตายต่อบาปได้ก็ต้องรู้ตัวก่อนครับว่าตัวเองทําบาปตัวเองมีบาปอยู่ก็ต้องเสียใจเพราะความบาปนั้นต้องสารภาพบาปและทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้านั่นคือขั้นตอนการ ที่คนคนหนึ่งจะได้รับความรอดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้และเราจะแม่นเพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับชีวิตของเราได้ครับและสามารถที่จะดูแลนำคนอื่นมาเป็นคริสเตียนนาเขารับเชื่อได้อาเมน